อุปสำบันต้องการจะทําให้อุปสมบันตกใจนํารูปเสียงกลิ่นรสหรือผลทพะเข้าไปใกล้ภิกษุผู้ถูกทําให้ตกใจนั้นจะกลัวหรือไม่กลัวก็ตามต้องอาบัติปาจิตตีอุปสมบันต้องการจะทําให้อุปสมบันตกใจบอกทางกันดานเพราะมีโจรกันดานเพราะมีสัตว์ร้ายหรือกันดานเพราะมีปีศาจภิกษุผู้ถูกทําให้ตกใจจะกลัวหรือไม่กลัวก็ตามต้องอาบัตรปาจิตตี